สังฆสามคัคคีพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่าที่พระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามคัคมคีสงจะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอ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 แสดงสิ่งที่ plets, ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้หกแสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้เจ็ดแสดงจร ate, ิยาวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา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 แสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือ17แสดงอาบัตชั่วยากว่าเป็นอาบัตชั่วยาก18แสดงอาบัตไม่ชั่วยากว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยากภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่แยกพวกออกมาประกาศตัวด้วยเหตุสิบแปดอย่างนี้ ไม่แยกกันทำอุโบสถไม่แยกกันทำรรปวารณาไม่แยกกันทำสังฆกรรมอุบาลีสงจะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แหละพระบาลีกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าพกษุผู้ทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกันจะประสบผลอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกันนั้นย่อมประสบผลชั่วร้ายชั่วกับถูกไฟไหมในนรกตลอดกับ